พระธรรมเอตนาของท่านหลวงตาท่านวัดคีนาโยตอนโอกาสทองของชีวิตจะเอาโอกาสทองเพ้าะม่ครูอาจารย์โอกาสทองโอกาสทองเลยเปีนนายจริงป่วยก็ป่วยจริงนะเจะบกเจ็บจริง ขันไม่เที่ยงจริงๆเขาไปดูกาสทอเ ง, เ, งทอเพราะว่าพ่อแม่คูบาจาเนี้ยแบบนี้แน่โอกาสทองโอกาสทองนะปูสมยัยนัโอ้โหโน้ตโมปูบ้านจะช่วยมากลับเดินมาดูเฉยบอกอ๋อจริงเลยเอ๋อจริงจะตายนะอ๋อจริงเลยโอกาสทองโอกาส ท, ทองสมัยวิธีการนี้พักไปได้การโดนเสือกินโดนเสือกัดเสื อ, อกืนเข้าไปเพื่อนพาร์ตั้งหลายมาอยู่ด้วย เพื่อนก่อีกคนก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอ่เสริมตัวใหญ่มากฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าเราก็เชื่อไม่ได้เราเราก็เชื่อแท้ไม่ได้ถ้านเชื่อตัวเองนี่ไงเราเชื่อแท้ไม่ได้เราถ้ามัเชื่อตัวเองที่แรกต้องร้องให้พระให้เพื่อนพระช่วยด้วยช่วยด้วยโดนเสือคืนโดนเสือกินกินจากขาเข้าไปคืนจากขาเข้าไปหาหัวอันนี้พอกินขาเนี่ยเสริมคงเที่ยวขาบ้างแหลก แต่ตัวว็ยังเหนืออยู่ยังไม่ถึงหัวใจก็ยังร้องได้ร้องให้เพื่อนช่วยในความเจ็บปวดมันคงจะไม่ไม่ปวดแล้วมันมันหมดสภาพแล้วโดนแลแกทั้งหมดแล้วมันจะหายปวดไปเลยมัคงจะไม่ปวดถึงขั้นปวดได้แต่ความกลัวมันมากกว่าคนร้องให้เพื่อนช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยเพื่อนก็บอกว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วเพราะเสือมันตัวใหญ่มากเลยใครก็ไมปช่วยโดนเสือมันกินนั่นแหละบอกให้เพื่อนช่วยช่วยตัวเองเดบ๋รวพระเจ้าก็สอนมาแล้ว เขาก็เลยเห็นว <ens> <dia> ่าพึ่งไขไม่ได้ทุกอย่างเดียวเพื่อนที่อยู่ต่อนาก็เชิญเขาไม่ได้เขาก็เลยบินาศเป็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วจะต้องตายเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงยิตมั่นถึงมั่นไม่ได้พึ่งไขก็ไม่ได้เป็นกะพีนาถึงความไม่เที่ยงของสังขารต้องต้องแหลกต้องแตกกลับต้องผุพังต้งสลายตอนเสือตอนเขาจะสิ้นใจในปากเสือเนี่ยก็ไม่รู้อรหันต โอกาสทองรู้อ่านก่นพระเจ้าตัดว่าคว้าที่ถูกเสือกินแล้รู้อ่านแล้วอา่านจนอยู่ในปากเลยนะแต่ถ้าไม่ไม่โดนเสือกินก็ไม่มไมรู้เป็นู้รหัสนะโอกาสทองเพราแม่คุบอาจารย์เวลาท่านป่วยหนักหนักก็แทนที่คุบอาจารย์จะช่วยท่ก็ให้โอกาสทองโอกาสทองโอกาสทองมาถึงแม่ โอกาสทองนะพี่นาเข้าหืมผมจะไม่น้าเราพี่น <c oughs> าเข้าค <c oughs> โอกาสทองถ้ <c oughs> าเราพิจารณาไม่ไม่ถึงพี่าตอนนี้ <c oughs> ถ้าพี่นาเป็นพิี่ณาแบบแห้งแรงความจะต้องแก่ความจะต้องเจ็บความจะต้องตายความจะต้องแตกดับสลาย เน่าเปื่อยผุพังความจะต้องทุกอย่างฝังขานเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เนี่สิ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะเป็นการคิดแห้งแล้งนี่เถอก็จะไปคิดแห้งไหมเออไอ้นี่มันคิดสดแล้วของจริงเนี่ยนะคือก็เรียกว่าโอกาสทองโอกาสทองมันคิดสดขึ้นมันป่วยแล้วเจ็บแล้วอย่างเงี้ยนันก็ใกล้จะเป็นแก่ความตายแล้วซึ่งตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้แต่เอาด้วยี้ไปเอาโอกาสทองก่อน ไอ้เจ่วติวเนี่ยดีพระยาเราเนี่ยก็เป็นอย่างเธอเนี่แล้วก็หมอบอกว่ามันเป็นระยะที่สามแล้วก็นักผาเป็นตายเท่ากันไอ้น้องสาวเขาไอ้ตอกลัวว่าเดี๋ยวจะยุ่งยากในการขาที่ดินเพราะว่าติวเป็นูจการมรดกของพ่อแม่รีบหาคนมาซื้อที่ดินแล้วให้ไปจับมือเป็นชื่อที่โรงบาล คิดดูดิเรียกว่าหมดเลยอ่ะพี่นาตอนอื่นอื่นพี่นาแห้งแรงแต่พอมันเิดขึ้นจริงอ่ะนะเข้ามาให้เจนชื่อขายที่ดินเนี่ยโอ้โหมันเลยรู้ว่าปูไม่เอารังนั่นฮะปูจะตายแ้วปูจะเอาไทำไม คำพูดเนี่ยท้าไม่ใช้โอกาสของจะจะรู้สึกไม่ได้กูจะตายแล้วกูจะเอาไปทําไมแล้วคนเนี่ยทํามันมีโอกาสของให้มันพูดได้ไหมตอนนั้นกูจะตายแล้วไอ้ความรู้สึกจริงจรที่จะเกิดขึ้นจากใจเนี่ยเ น, นี่ไอ้ตรงเนี้ยมันพูดไม่ได้มันรู้สึกไม่ได้กูจะตายแล้วกูจะเอาไปทําไมกูไม่เอาท้ำไม พรากฏว่าโอ้โหเหลืองอาลามไปหมดเลยผิวพรรณรังสีจิตนี่เหลืองอาลามสว่างสวัยไม่หมดเลยอ่ะเพราะอะไรแค่ความรู้สึกว่ากูจะตายแล้วแล้วกูจะเอาทุกอย่างมาทำไมกูไม่เอาทั้งนั้นแหละก็จะเจอที่ดินมาขายให้ก็ไม่ไม่สนใจแนี่ยเงินทองกูก็ไปสนใจกูจะเอาไปทําไมกูจะตายแล้วแค่ตรงเนี้มันรู้สึกจับใจเลยเนี่ยนี่อมันเป็นวิปัสนาเลย ต้ให้ออกจากใจจริงๆอย่างนั้นเลยพราแม่ครูบาอาจารย์เึีว่าโอกาสทองถ้ารลับที่นายอื่นนะ่ะคนยังไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะแก่เดี๋ยวเราก็จะเจ็บเดี๋ยวเราก็จะตายมันพิจารณาแห้งมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรแล้วก็ที่นายแหง้งนึกยังไงกนันึกไม่ออกอันนี้มันนึกมันเป็นจริงๆพูดออกมาจากใจเลยที่น้องเอาที่ดินมาขายใ ห, ให้คนมาซื้อที่ดินอนะ่พาคนมาซื้อที่ดินมาที่โรงพยาบาลเลย กูจะตายแล้วกูจะเอาไปทําไมกูไม่เอาแั้นแนะกูไม่สนใจหรอกว่าอยากได้กูจะตายแล้วกูจะไปทําไมมันรู้มันพูดมันติใจแหละกูจะกูจะตายแล้วกูเอาอะไรไปไม่ได้การมีชีวิตอยู่มันโลภมากโลภจะเอานู้นจะเอานี้อยากเป็นนั้นอยากแก่นี้อยากร่ารวยอยากเป็นนั้นอยากอยากอยาเห็นไหมพอจะตายก็จริงๆอะรู้เลยว่าเอาอะไรไปไม่ได้ แค่นั้นเนี่ยมันปล่อยวางเหมือนกับพระที่ในป่าเสือปล่อยวางเลยเขาเข้าปฏิบัติดีขึ้นแต่ต่อหลังมันไม่ตายแล้วก็ประมาณเหมือนเดิมอยากรวยเหมือนเดิมก็ถามในตอนเนี้ยจบข่าว ตาอย้อมก็ภาวนาเหมือนเดิมก็ตรงไหนเนี่ยพี่เราขึ้นต้นตาถึงตรงไหนแร้วทุกคนก็รู้เองเนี่ยว่าเราควรจะพิจารณาตรงไหนเราจะปล่อยให้มันตกจากต้นตาลงมาเราขึ้นต้นตาไม่ได้ถึงขั้นไหนแล้วล่ะในใจเราจะรู้เองเราจะพ้นทุกข์มันได้เด่นด้วยตรงไหนน่ะเราก็กอดต้นตาไว้แน่นอย่าปล่อยให้มันไหลตกลงมาดองเราก็กอดตรงของเราให้น่เราก็พี่นาตรงนั้นเป็นปัญญาของเจ้าตัว ตายมันหลอดคนไปได้เราพี่นายเปนจริงเหมือนกันก็จะตายแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปได้แล้วเอาอะไรไปไม่ได้รอกแล้วกูไม่เอาทุกอย่างไม่เอาเลยเลยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยไม่เอากแน่กูไม่เอาอะไรทั้งหมดแน่กูจะตายแล้วทำนึกเป็นจริงเงี้ยจะกินกิงแจกใจไหมไหมแต่ว่าเอามันรักษาแล้วก็อะไรมันนึกอย่างเงี้ยให้ตอนเมื่อมันขาดสายจนสิ้นความจนสิ้นผู้จะเอา ก็ไม่รู้อาหารไปได้เลยถ้าสิ้นภูจะเอาอะไให้รู้สึกจริงๆว่ะจะสิ้นภูจะเอานะไม่มีภูจะเอาเ mm hmm. ไม่มีจะเอาแล้ว mm hmm. ก็มันจะตายแล้วจะดับหมดเลยไปเอาอะไรได้ภูไม mm ่เอาอะไรแล้วกันแน่ไม่มีเข้มแข็ง mm hmm. ก็ไม่มีใจนะ ก็จะตายแล้วก็ปล่อยมันดับไปไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรทุกอย่างมันจะได้ดับสนิททันทีมันจะได้ไม่เหลือตัวเหลือตนอีกต่อไปมันจะได้ดับหลับสนิททันทีดีเหมือนกันมันเป็นทุกข์มาหลายชาติแล้วมีตัวตนมาหลายชาติแต่ตัวในมันเหลืออยู่โชคดีที่เรามีคนสอน ไอตัวไหนที่มันเหลืออยู่คือตัวจะเอาท้งสิ้นพูดจะเอาไอตัวไหนก็ดับทุกอย่างก็เหลือแต่ความว่างเปล่ากับคื่องสูตรธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับตลอดการจิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนไปไฟที่ชิมเชือ้อไฟที่หมดเชือ้อคือหมดเชือ้อความพูดจะเอาถ้ายังมีพูดจะเอาก็จะเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นกิเลส ยังเป็นความทุกข์สิ้นผู้จะเอากาสิ้นกิเลสแล้สิ้นความทุกข์เขาเรียกว่าพันิพานหรือฟะรหรัสก็คือความสิ้นผู้จะเอานี่นะไม่มีผู้จะเอาเพอทุกอย่างมันจะดับลับกับคืนสู่ธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดดับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาล ในรน้งือลูปตามมาบัวเขียนว่าเอาวอากาศแห้งกินเติมแทนมันทุกข์ยากลาบากมานานแล้วหลายพบหลายชาติมีตัวมีตนต้องไปสร้างกายใหม่กายเนื้อให้เป็นร่างใหม่ตลอดไปหลายพบหลายชาติมีความทุกข์ยากลาบากมากเพราะว่ามันตายแต่กายเนื้อนี่เนี่ยกายในมันไม่ดับ กายในไม่ดับคือมันไม่ดับผู้จะเอามันยังมีตัวเราผู้จะเอามีตัวเราผู้ที่จะไม่เอาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตัวเรากลัวตายตัวเรากลัวธาตุขันมันจะแตกมันจะดับแต่ธาตุขันที่จะแตกจะดับมันไม่ใช่ตัวเรามันทําให้เราเป็นทุกข์ในชาติขันแต่ละแต่ละภพละชาติที่เปลี่ยนล่างไป มันต้องไปมีร่างใหม่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์อย่างใหม่มีผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราอย่างใหม่ทุกชาติไปนั่นมันเป็นทุกเป็นทุกชาติไม่ว่าจะอยู่ในร่างใดเหมือนนั้นเราไม่มีหรอกเราไม่เราไม่ต้องการมีตัวตนอีกต่อไปปล่อยให้ธาตุขันเนี่ยทั้งรูปรูปขันและนมามขันเนี่ยให้มันดับมันไปอย่างัสนิท เมื่อไม่มีตัวเราอีกแล้วไม่มีตัวเราที่จะไปเอาอะไรที่จะได้อะไรไม่รู้สึกว่ามีตัวเราได้มีตัวเราสูญเสียอะไรเพราะเราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นอย่างที่โลกก็เป็นนี่แหละเขาจะเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นหน้าที่การงานมีอยู่ก็ทำไปถ้าใครมีครอบครัวอยู่ก็ ก็ทําหน้าที่ของครอบครัวไปแต่ตัวเราตัวตนของเราภายในใจเราไม่มีอีกแล้วเราติณความเป็นปตัวตนแล้วขันห้าก็รักษาไปรักษาไม่ได้กระแตกดับไปแต่ไม่มีตัวเราแล้วใจเราก็เลยว่างเปล่าใจว่างเปล่าเนี่ไม่แค่เป็นความรู้สึกว่างนะแต่มันก็เลยว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลธรรมชาติไปแล้วแต่ขันห้าก็ยังทําหน้าที่อยู่ แต่เราไม่รู้สึกว่ากลัวตายไม่เป็นห่วงเป็นใหยขนันหน้าอีกต่อไปเพราะว่าใจเราถึงซึ่งจักรวาลเดิมแท้แล้วหรือเรียกว่าจิตเดิมแท้คืออวกาศเองจิตเดิมแท้เมื่อเราถึงซึ่งอวกาศให้จิตเดิมแท้หรือใจเราเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าไปแล้วคือวา่างเปล่าก็เพราะว่าว่างเปล่าจากตัวตนไม่ใช่สร้างความรู้สึกให้วา่างเปล่า เพราะไ อ, สอ้สร้างความรู้สึกว่างเปล่าคือในความว่างมีตัวเราไปอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็ยังมีตัวเราเหลืออยู่จะต้องไปรับบาป พ, พอกรรมแต่เราเนี่ยมันสิ้นตัวตนที่จะไปยึดอะไรเพราะเราไม่มีตัวตนเพราะในใจมันรู้สึกอยู่เสมอว่าเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีดังนั้นเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงก็ไม่นไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยมันจะแตกจะดับก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องวุ่นวายกับมันเลยเพราะว่าตัวเราไม่มี เมื่อตัวเราไม่มีร่างกายจะแตกดับจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องส่วนมีปัญญาอยากรักษาอย่างไรก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันก็แตกดับเพราะมันไปนเองรักษากเพื่อทำประโยชน์ท่านต่อไปประโยชน์เราหมดแล้วเราทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราจนครบถ้วนแล้วคือใจหรือจิตเติมแท้เป็นอาวากาศแห่งจิตเติมแท้ไปแล้วแล้วหมดหน้าที่หมดภาระไปแล้วอย่างนี้ หมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้หมายถึงเราไปพูด่างนี้ว่าเราเป็นจะไปอัดข้อแล้วว่าเราเราเป็นแล้วเลยนะจ๊ะเราก็ไม่กลัวหรอกไม่กลัวตายธาตุขันจะแตกกระดับก็ไม่กลัวเพราะไม่ใช่ธาตุขันนั่นน่ะรูปขันนามาขันนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอีกแล้วแล้วมันเปลี่ยนสายล่างไปทําให้เราเป็นทุกข์มาหลายชาติแล้ว เราเบื่อหน่าที่จะเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่ในร่างอื่นให้เป็นทุกอีกเพราะฉะนั้นร่างนี้ก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมัน่นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรที่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สึกผู้ตองผู้เพง่งผู้จอ้องผู้แสดงกิริยาการใดๆก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเพราะเราคือจักรวาลเดิมแท้แนละ้วในส่วนที่ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมีความตึกตองอะไรได้หรือปรุงแต่งอะไรได้ มีกิริยาการใดได้ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราอต่อไปเราไม่รู้สึกว่าเป็นตัวลอยต่อไปแต่ตัวเราค้นกลับขึ้นสุดจักรวาลเดิมไปแล้วตั้งแต่เราเริ่ชีวิตอยู่มมันไม่มีแยกหรอกก็คือขันห้าซึ่งเป็นความรู้สึกในที่อารมณ์เนี่ยมันก็เกินดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเหมือนกับโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และทุกสักรพสิ่งในโลกที่หมุนวนอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่ได้แยกตัวออกไปจกากความว่างมันก็หมุนอยู่ในใจที่ว่างเปล่านี่แนะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงก็เกิดดับอยู่ในใจที่เป็นจักรวาลวา่างเปล่านี่แน่ไม่ใช่ว่าอยากจะว่างอยู่ที่หนึง่งแล้วก็ไอ้กิริยาการทัง้งจิตเนีนไปเกิดกที่นี่ไม่ใช่ทกอย่างมันคงเป็นอยู่ข้างมันนี่แหละ เหมืนอนอย่างเรามาวัดเนี่ยของทุกอย่างในวัดนี่คงเป็นอย่างเงี้ยเราดูสิในวัดนี้เรามาเนี่ยในวัดนี้เกิดเปของสวยๆงามๆเยอะหลายอย่างเจดีย์ก็สวยงามใช่ไหมเดี๋ยดูเจดีย์ใส่ผ้ากันใบ ส, สวยแต่เราไม่รู้สึกว่าเราจะอยากได้อะไรกลับไปเหตุใดแล้วเราไม่ไม่รู้สึกว่าอยากได้เลยในที่เนี่ยมีของมากมายหลายอยา่าง เราไม่รู้สึกว่าจะอยากได้อะไรกลับบ้านเพราะได้แล้วทำไมลืมไม่รู้สึกว่าอยากได้อะไรกลับบ้านเพรเพราะว่าเรารู้สึกว่าของทั้งหมดในวัดนี้จะสวยงามอย่างไงก็ตามไม่สวยงามอย่างไงก็ตามไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเราจึงเห็นว่าไม่ใช่ของของเราเลยเราจึงในใจเรารู้สึกเสมอว่าเขาไม่ใช่เป็นของของเราเราจึงไม่คิดว่าจะเอาอะไรกลับไปการที่เรารู้สึกว่าของทุกอย่างไม่ได้เป็นของของเราจึงไม่มีปรากฏว่าตัวเราไปเอาอะไร ตัวเราไม่ตินหายไปไอ้ตัวเราหายไปกับเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ขันห้าเนี่ยรูปประคันด้านนามขันร่างกายจิตใจคือความรู้สึกเมื่กิจอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเครื่องอาศัยในในโลกนี้มาสร้างองในโลกนี้จับสเปิร์มเริ่มต้นมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วแม่ก็สเปิร์มเป็นธาตุดินไข่เป็นธาตุน้า แล้วแม่ก็เอาธาตุลมธาตุไฟให้เจอาธาตุลมเอาธาตุไฟเข้าไปผสมกันเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยตัววิญญาณธาตุหรือจักรวาลเดิมของเราเนี่ยก็มาแล้วมาผสมแต่เราไม่มีตัวหรอกไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุเป็นนิพพานธาตุก็เข้ามาผสมแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นนิพพานธาตุเพราะมันมันยังเป็นธาตุที่รู้บวกกับความหลงพนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่รู้คือจะไม่เรียกว่ารู้แต่มันเป็นชื่อมันเป็นธาตุรู้ แต่ความจริงมันยังไม่ยังไม่ได้รู้โดยไม่ยึดมันมันยังไม่พบตัวมันเองมันไปยึดเอาว่าไอ้สังขารที่เกิดใหม่ในแต่ละล่างแต่ละล่างเป็นตัวมันมันลืมตัวมันเองไปเมื่อมันค้นพบตัวมันเองแต่เดิมแล้วว่ามันคือใครมันคือวิญญาณที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยคือจักรวาลเดิมมันจึงเลิกที่จะยึดเอาไปร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นรูปขารและนามขารเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวอีกต่อไป พอสิ้นความหลงยึดเอารูปปันขานและนามประขาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นตัวตนของเรต่อไปมันจึงไม่มีผู้มาเอาอะไรในในสังขารนี้ในร่างกายใ น, นใจิตใจทุกขณะปัจจุบันไม่มีผู้มาเอาเหมือนกับที่เราเห็นว่าของทุกอย่างในวัดนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราสักอย่างเดียวเราจึงไม่คิดว่าจะเอาอะไรกลับไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของของเราเราจึงไม่คิดว่าจะเอาอะไรกลับไปผู้จะเอาเลยไม่มีแบบเดียวกันเมื่อเราเห็นว่า ร่างกายจิตใจซึ่งเป็นรูปขันนามาขันนี้ไม่ใช่เมีมีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเราคือจักรวาลเดิมที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเราจึงไม่ยึดขันห้าต่อไปไม่เอาเมื่อไม่ยึดแล้วว่าขันห้านี้คือรูปขันและนามาขันนี้เป็นเราเป็นตัวตนของเราถึงมันจะมีอยู่แต่มันก็เหมือนกับของในวัดเนี่ยที่มีอยู่แต่มันขาดผู้เอาไปช้วสิ้น เมื่อใดที่เกิดความรู้สึกจากใจจริงๆว่าไม่มีผู้เอาว่าขันห้านี้ร่ากายจิตใจนี้เป็นขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเมื่อไรที่เรารู้สึกอย่างนี้จากใจของเรานนี่ยใจของเราก็กลายเป็นมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติตตคือเป็นจักรวาลเดิมทันทีเลยอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติเลยเพอสิ้นผู้จะเอา ถ้าเรายึงสื่อว่าขันห้านี้รูกประขันนามประขันนี้เี่ยวเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเราก็จะมีเป็นผู้เอาอยู่ดีเนี่ยเราก็จะเอามันอยู่ดีเนี่ยเราไม่อยากให้มันตายเราไม่อยากให้มันแก่เราไม่อยากให้มันเจ็บเรากลัวมันจะตายยังไงเราจะไปหาหมอเนี่ยเรากลัวมันจะตายพระเราไปยึดเอาไอ้ขันห้าคือรูกประขันกับนามประขันเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยกลัวมันจะตายแต่แต่เราไม่กลัวเลยเพราะว่า มันไม่ใช่เราไอ้ขันห้าเนี่ยไม่ใช่เราแต่ตัวเราไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่รูปขันและนามขันนี้ถ้าเขายังจะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกถ้าเขายังไม่ให้ยังไม่ใช่ถึงเวลาที่เราจะแตกจะดับมันก็ไม่ต้องแตกมันก็ยังไม่แตกไม่ดับแต่ถ้าเขาเห็นว่าเรายังมีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเรายังไม่ถึงกับแก่จนทํางานไม่ได้ถ้าเขาให้เราอยู่เราก็อยู่ทํางานประโยชน์ไป แต่ก็เห็นว่าเราไม่มีประโยชน์จะเอาไปก็เอาไปแต่เราสบายไปแล้วเพราะใจของเราไม่ได้ยึดไม่มีผู้จะเอาขันห้านี้มีผู้มากลัวมาสงวลมารักขันห้านี้เพราะเราไม่ได้ยึดขันห้านี้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราใจเราก็เลยกลายเป็นจักรวาลเดิมไปแล้วดังนั้นขันห้าก็ไม่มีความหมายต่อใจเราจะแตกจะดับก็ไม่มีความหมายแต่ก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจไม่ยึดตั้งแต่แรกแล้วคือไม่มีผู้เอาแต่แรกมันก็เลยว่างเปล่าไป ไม่ใช่เราทําความรู้สึกว่างนะคือมันว่างเปล่าจากตัวตนว่างป่าจากผู้ยึดนั่นก็เลยเป็นความว่างเป่าเป็นจักราวาลเดิมหรืออัตโนมัติ<ม><ม>เราต้องรู้สึกจริงๆอย่างนี้ในใจของเราจริงๆว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราู้ที่จะเอาอะไรเมื่อตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราดังนั้นขันห้าไม่ว่าจะมั น, มนจะแสดงอาการยังไงทุกความรู้สึ ก, กมันคิดอารมณ์มันจะมีสภาพเป็นยังไงเราก็รักษามันไปตามสภาพแต่มันไม่รู้สึกว่า มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นมันเป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้น ม, นนนนนนมันก็รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นดับไปตามสภาพของมันในใจของเราแต่มันไม่มีใครเลยจะไปเอาให้มันเป็นอย่า ง, งไรก็ต้องน้องพิจายนาให้สังเกตเห็นว่าเนี่ย มันจะมีมันจะแสดงอะไรออกมาให้ปรากฏว่าที่เรากลัวเราเป็นห่วงเนี่ยเอ้านี่จะมีมันยังมีผู้เอาไหมเฉยเนี่ยเพราะมันมีความกลัวความห่วงว่าร่างกายเราจะเป็นอะไรเอานี่แสดงว่ายังมีผู้เอาแสดงว่ามีผู้จะเอาขันห้านี้เป็นห่วงเป็นกังวลกลัวมจะแตกจะดับเอาแล้วเราก็สอนมันว่าเอาสังเกตให้ดีๆแล้วเราก็ตัวเราไม่มีแล้วมีใครมาห่วงมากังวลขันหน้า แต่ตัวเราไม่มีก็แสดงว่ามีตัวเราอยู่เบื้องหลังในความยึดอ๋อว่าตัวเราไม่มีนั้นขันห้าจะเป็นยังไงวที่ปรากฏในปัจจุบันก็คงเป็นอยู่แต่ไม่มีตัวเราปรากฏมาเกี่ยวข้องเลยแต่ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยตัวเราที่กําลังคิดกําลังนึกกาลังตึกตองหาเหตุผลที่จะไม่ให้มีตัวเรามายึดเนี่ยไอ้ตัวที่คิดตัวนึกที่ตึกตอบอกว่าจะให้มันไม่มีตัวเรามายึดให้เรากลับคืนสู่จักรวาลเดิมไอ้ตัวผู้ที่กําลังใช้พยายามอยู่ตัวเราที่ใช้ความพยายามอยู่ตอนเนี้ย มันไ ม, ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นขันห้า ท, ที่ตัวเราเนี่ยที่บอกว่าตัวเราจะอยู่อย่งไรเดี๋ยวตัวเราจะเป็นเราจะจะเป็นไงเราจะเป็นเปนอยู่อย่างไงถ้าเราเป็นอย่างนั้นเร า, para, เ, รา para, เราไม่มีที่เราไม่มีที่อยู่แล้วเราจะเป็นยังไงความกังวลเหล่เนี้ยตัวเนี้มันเป็นขันห้าทางด้านที่ปรุงแต่งแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของตัวตนของเรา เราเห็นว่ามันเป็นของเพียงของปรุงแต่งเชื่อข่าวแต่มันก็ดับไปมันเป็นของปรุงแต่งนั้นไอ้ตัวเราที่เกิดเป็นผู้นึกผู้ตึกผู้ตองอะไรก็ตามมันเป็นขันห้าที่ปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเลยแม้มันจะปรุงแต่งแต่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่เกี่ยวกับเราสักอางหนึ่งมันปุงแต่งก็ปรุงแต่งไปมันไม่เกี่ยวกับเราเราคือเราคือจิตเดิมแท้หรือจักรวาลเดิมแล้ว มันเลยพวที่ปุงแต่งนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยมันจ ะ, จะปรุงก็ปรุงไปตัวเราเนี่ยเราจะปรุงเป็นอะไรก็ได้เราปรุงกดปรุงนี้แต่มันไม่เกี่ยวกับเราสักอย่างเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราต้องสังเกตเห็นมานีในใจของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแสดงกิริยาการแสดงพฤติกรรมอะไรขึ้นมาภ า, ายในจิตใจเราแสดงถึงว่าเราเรามีตัวตนไปยึดอะไรเนี่ย มีตัวตนที่ไปอยากให้มันเป็นยังไงแหละมีตัวตนของเราที่ไปกังวลให้มันเป็นยังไงอ้าว้าไม่มีตัวตนของเราทุกอย่างมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ถ้าไม่มีตัวเราที่จะไปเอาหรือตัวเราจะยึดเนี่ยทุกอย่างมันเป็นยังไงมันแสดงกายิยาการยังไงร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละทุกขณะปัจจุบันอ้าวแสดงที่ว่าถ้าเรายังไม่ปล่อยให้มันเป็นยังไงก็คงเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันมันมีความรู้สึกมืคิดอารมณ์อย่างไร ร่างกายเราเป็นยังไงเราก็รับความจริงสภาพตามความเป็นจริงในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันการที่เราเนี่ยเป็นอยู่กับมันด้วยการ am, าที่ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่กับมันด้วยควาจริงไม่มีผู้ที่จะไปต้องการอะไรไม่มีผู้จะไปเอาอะไรมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้ไม่มีผู้จะไปเอาอะไรกับมันเนะี่ยมันก็เป็นมันสิ้นกว่าเป็นตัวตนอัตโนมัติมันก็เป็นจักรวาลเดิมเลยอัตโนมัติเพราะซิ้นกว่าเป็นตัวตน ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่กับในวัดเนี่ยอย่างนู้นเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปนู่นอย่างนี้เปลี่ยนไปมีหลายอย่างในวัดเนี่ยที่ของสวยๆกำงามไปเยอะแต่เรารู้สึกว่าเป็นของวัดหมดไม่ได้เป็นของเราเราเลยใจเราก็เลยไม่มีไม่คิดจะเอาอะไรมันก็เลยไม่มีตัวตนเพราะไม่มีผู้จะเอาถ้าเราเห็นว่าสังขารร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนของในวัดเนี่ยทั้งหมดเราก็ไม่รู้สึกว่าจะมีผู้เอาเพราะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอสิผู้จะเอาปุ๊บก็กลายเป็นจักรวาลเดิมโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เราไปสร้างความรู้สึกให้ว่างเปล่าไว้ไม่ใช่ถ้าเราไปสร้างความรู้สึกให้ว่างเปล่าเป็นจักรวาลเดิมไว้ที่เราไปพยายามสร้างไว้อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่ามีตัวเราลอยลอยเขาอยู่ในความว่างพอตายปุ๊บมีตัวเราอยู่ในในธรรมชาติแล้วเราก็จะถูกว่าถูกจับเอาไปลงโทษได้ตามบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่เราได้ทําไว้และเราก็จะต้องไปรับผลของกรรมเพราะเอาวิญญา ย, ยังมีอยู่ความหลงยึดปดตัวยังมีอยู่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในร่า ง, งตา่างๆต่อไป บาปข้อกรรมก็ยังต้องไปติดตามไปให้ผลในชาติเก่าๆและที่ทําไว้แล้วในชาติใหม่ที่ติดกิจไปเมือ่อไรที่เราเนี่ยสิน้นพูดจะเอาสิ้นผู้ยิดมา่นถือั่นเข้าถึงจักรวาลเดิมคือจักรวาลเดิมคือเราเองที่ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตัวของเราเลยไม่มีตัวเราอย่างนั้นเนี่ย ทุกปิยาการในปัจจุบันของขันห้าเนี่ยก็คงปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นนะแม่ไม่มีใครปล่อยด้วยคงมีแต่มันเป็นยังไงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปมีอาการสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันมันไม่สบายตัวไม่สบายมันเดี๋ยวมันก็ไปหาหมออะไรต่างๆก็มันก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นขันห้าหมดไม่ได้มีเราเลยในตัวเนี้ยไม่มีตัวเราเลยเพราะตัวเราคือจักรวาลเดิมแต่ความสุขกายสบายใจเป็นเป็นสุขุพิจนาเขมีอยู่ไม่สบายกายไม่สบายใจทุกุพิจนาก็ย่อมมีอยู่ มันไม่เกี่ยวกับเราเลยตั้งนี้นึ่งมันจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะไม่มีเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่มีตัวเราเขายุ่งเกี่ยวกับมันเพราะตัวเราไม่มีอยู่แลในใจเราเขปล่อยให้ขันห้าเขเป็นอย่างที่ก็เป็นเหมือนกับจะปล่อยของทุกอย่างในวัดเนี่ยคงเป็นอย่างที่ก็เป็นแต่เราต้องเป็นผู้จะสังเกตตัวยงเลยว่าจะมีผู้จะเอาอะไรไหม ถ้ามีจะพูดจะเอาอะไรก็แสดงว่าเราจะมีตัวตนอยู่สองเกดไปเรื่อยๆจะสิบปู่จะเอาและใจเราก็ต้องรู้สึกอย่างตลอดเวลาตามหลักรามคาสอนว่าเราไม่มีตัวตนเราคือจักรวาลเดิมที่ไม่มีตรวตนเข้าใจอตอนที่จะนั่งฟังสุสัหงปูป่ราม นั่นแหละแป๊บเดียวกเกินพอแล้วเราก็อสิ่งนั้นม่มาน้องทํำความเข้าใจไว้ในใจเราอย่าให้มันหายไปแม้แต่เพียงนาทีเดียวเวออ ว, เว่าเราเนี่ยแท้จริงไม่มีตัวตนเลย <c oughs> ขันห้าติยังคงมีอยู่มันทําอะไรใจเราไม่ได้เลยเพราะใจเราไม่มีตัวตนความรู <c oughs> ้สึกนี้นนถ้าเคยเกิดกับใครสักนิดเดียวสักเราจําได้มันนั้นแหละ มันก็เปิดช่องแหละคือความรู้สึกที่ทุกกิริย า, าการทุกขณะปัจจุบันมันทําไมทําอะไรใจไม่ได้ล่ะแวะหนึ่งที่มันรู้สึกอย่างนี้ในโลกนี้เหมือนทําไม่มีอะไรทําอะไรใจได้เลยและความรู้สึกร่างกายแล้วความรู้สึกอาการทางกายอาการทางใจที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยในจิตใจของเราในขณะปัจจุบันนั้นน่นะเอ๊ะมันเหมือนกับมันทําอะไรใจเราไม่ได้เลยเหมือนเราไม่มีใจไม่มีตัวไม่มีตน ทูกอย่างไอ้ตัวขันห้าที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยที่เป็นตัวเป็นตดนั่งอยู่นั่งขนมอยู่อยู่เนี่ย ม, มันมีกิริยาการใดๆมันเหมือนกับมันไม่สามารถทําอะไรใจเราได้เลยมันไม่มีไม่มีกิริยาการใดๆทําลายใจเราเลย <นะ S 1> ใจเราเนี่ยก็พูดเป็นภาษาพูดกันแต่จริงๆมันไม่มีตัวใจหรือเหมือนกับว่าเอ๊ะไอ้ตัวเราไม่ใช่ตัวที่เป็นขันห้าที่กําลัง กำลังนังน่งผนมนี้กำลังนังน่งผนมมือกำลังมีความคิดติดตองตามเราไปนี่มันแว บ, บเดียวมันเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้เหมือนกับทําไมตัวเราไม่ใช่ตัวนี้วะแค่นั้นไงทําไมตัวเราไม่ใช่ไอตัวที่เป็นกายเนื้อนี่วะที่มันนั่งที่มันไอ ก, กายเนื้อที่มันคิดนึกติดตองอะไรเนี่ยเฮ้ <phon. S 1> ทำไมตัวเราเหมือนกับไม่ใช่ตัวเราวะเนี่ยที่ยันนทีดิที่เรารู้สึกอย่างนี้ก็เกินพอแล้วเราก็จะอ๋อแท้จริงนี่มันเป็นอย่างนี้เองอะ ไอตัวเราที่เป็นกายเนื้อที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> แต่ไอความรู้นี่นะไหวตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่คิดเอาแต่มันรู้สึกจริงๆ <c oughs> แั่นั้นเนี่ยเราก็จําไว้เลยแล้วเราก็ปฏิบัติว่าปฏิบัติได้ต่อไปเลยว่าตัวเราไม่มีจริงๆเพราะเราเคยเจอแล้วมันจะแวบเดียวแต่เรารู้เลยว่า ตัวเราไม่มีจริงๆเพราะเราเคยเจอแนละ้ไอ้ตัวเราที่เป็นกายเนื้อเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแค่แวบเดียวก็เกินพอที่จะทําให้เราต่อสายได้แหละว่าแท้จริงตัวเราไม่มีจริงๆเลยไม่ใช่แค่คิดเอาแต่เราเคยเจอแนละ้วแล้วเราก็พอเห็นอย่างไงปุ๊บเราก็อย่าหลงให้ตัวเราไปเป็นขันท่าพี่หลงเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สืกผู้ตอง ผ, ผู้กังวลผู้ที่หลนผู้ค้นหาอีก เราต้องให้เป็นอย่างที่ตัวเราที่เราเคยแวะนะึงขึ้นมาที่ว่าเฮ้ยไอตัวเราที่เป็นตัวขันห้าที่เป็นคนนึกตึกตองมันไม่ใช่ตัวเราเ <ắng. S 1> ว้ยเราต้องอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปมันจะนึกคิดตึกตองอะไรไม่ใช่ตัวเราเราไม่เคยเป็นคนคิดเป็นตึกตองเลยแต่ไอตัวคิดนึกตึกตองเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราคงเห็นมันไอตัวขันห้าเนี่ยมันคิดนึกตึกตองเหมือนไฟแต่แตัวเราไม่ได้คิดนึกตึกตองเลยเพราะว่าเฮ้ยไอตัวขันห้าที่คิดนึกติกตองนี่ไม่ใช่ตัวเราเว้ยเทียงแวบเดียวที่เรารู้สึกอย่างนั้น ทำไมเราไม่ใช่ตัวเดียวกับไอ้เราไม่สร้างความรู้สึกตัวเราให้แยกออกไปนะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีตัวเรามันมีผู้นอกจากฐันห้าแล้วมันเราเรารู้สึกว่าเออมันไม่มีตัวเราอีกเลยมันเหมือนกับตัวเราไม่มีตัวเราแต่ไอ้ตัวเราที่เป็นกายเนื้อที่เป็นฐานห้ า, หาไม่ใช่ตัวเราเออมันก็งงมันจะพูดยังไง ใครเคยรู้สึกอย่างเนี้ต้องรีบพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยอย่าปล่อยมันหายไปคือพัฒนาไม่ใช่ว่าประจําตรงนั้นมาแต่เราจะต้องไม่หลงเข้าไปเป็นขันห้าอีกต่อไปเลยเมื่อไหร่ที่เราหลงเข้าไปเป็นกิริยาการของขันห้าหลงเข้าไปเป็นผู้ปรุงแต่งจะเอาโน่นจะเอานี่หลงไปวิเคราะห์คิดตึกตองวิจารณ์วิจัยอะไรก็ตามเราต้องละทันทีเลยรู้ให้รวดเร็วรู้ตัวให้รวดเร็วละไปแล้วเหลือแต่จิตเขาแสดงปรุงแต่งของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราไม่เป็นเราไอ้จิตที่ปรุงแต่งนะั่นมันคื อ, คอขันห้า ไม่ได้เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแต่เราไม่เคยเผลอเอาเราไปคงแต่งเลยสักนิดเดียวไม่มีนั่นเองเราก็จะกลายเป็นจักรวาลเดิมตลอดไปเราก็ปฏิบัติอย่างนี้นะเหมือนกันเราก็เห็นมาจากแว บ, บเดียวนะี่นละงเราเราก็ปฏิบัติเป็นเลยแต่การที่จะเกิดอย่างนั้นอย่างที่เธอบอกนั่นเอง มันก็จะเกิดจากแวบหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งมาก่อเช่นอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์อยู่ในวัดที่เคยมีอรหันต์อยู่ในถ้ำที่เคยมีอรหันต์อยู่ที่ต้นโพเคยตัดสรู้อยู่ในสังเวียนสถานสี่แห่งสถานอื่นจะถูกดูดให้สังเวียสถานอื่นในปริธิพัน์ก็จะร้องไห้มันได้เหมือนกับที่ตัดสรู้ต้นโพหรือที่ใดที่หนึ่ง ที่มันพร้อมพอดีนะไม่ใช่ว่าจิตใจของเรายังปฏิบัติมายังไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจและยังไม่พร้อมเลยแล้วเราก็ไปนั่งพยายามจะไปที่ต้นโบกันเป็นยร้อยครั้งมันก็ไม่ได้อะไรแหละมันไปได้กิเลสเพราะความอยากมันก็ไม่ได้ไป็สร้างก่อนรู้สึกอย่างนั้นให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจมันเป็นเราสังเกตคือไอ้ที่ว่ามันขันห้ามาแสดงอาการเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรก็คิดไปเฮะ แต่ทำไมมันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยวะไอคันหเนี่ยที่มันแสดงความรู้สึกมันคิดอารมณ์ในขนาดนั้นไม่มีตัวเราเลยมไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราด้วยแวะเดียวที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็จำไม่ได้ว่ามันรู้สึกที่ไหนมันเป็นรู้สึกต่อหน้าค ร, รูบาอาจารย์รู้สึกต่อหน้าในวัดที่มีเคยครูบาอาจารย์เคยอยู่หรือว่าหรืออย่างไรหรือว่าหยุดในวัดที่มีเคยมีพระละหันท่านอยู่แล้วท่านดับไปแล้วเลย หรือว่ามันทีไปอยู่ที่ต้นโพลินเดียหรือว่ายาาังไงก็ไม่ทราบมันเกิดที่ไหนแล้ก็จําไม่ได้แหละแต่เราจําเราจําได้ว่าความรู้สึกกันนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้ปรุงแต่งแต่ขันฮาเขาเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้ปรุงแต่ ง, ตต ง, ตตงอีกเลยแต่นั้นเวลาเราหลงไปเป็นผู้ปรุงแต่งไปคิดไปติดตองหาเหตุหาผลดิลนอะไรเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีทนว่านี่เราผิดแล้วเราผิดจากที่เราเคยเคยเห็นอยู่ <L> เคยรู้อยู่เคยเป็นอยู่ พอเราหลงตัวเราไปวิเคราะห์วิจารวิจยัยไปที่หลุดคนหาเราจะรู้ทันทีวะนี่เราผิดแล้วเรากำลังเดินทางผิดเรากลายเป็นหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งหลงเอาตัวเราไปเป็นขันท่าไปเ ป, ป็นผู้ปรุงแต่งตัวเองแต่ที่เราเคยรู้เคยเห็นแบบหนึ่งมาในใจคือขันท่ามันปรุงแต่งจะไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเลยเหมือนขันท่ากับปรุงแต่งไปแต่ตัวเราไม่มี แบบหนึ่งที่มันเป็นที่เราได้เคยรับรู้มาแบบนั้นเราก็จำไม่ได้หรอกเราไปเกิดขึ้นที่ไหนแต่สไอ้อย่างนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันต้องไม่ใช่ไปเจตนาตั้งใจจะให้มันเป็นคือสภาพวิจิตเราพร้อมมากเลยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งยึดถืออะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยเราอยู่ในที่ที่เหมาะสมคือไม่ได้มีความวุ่นวายหรือคึกคักโคลงเราอยู่ในที่ที่เหมาะสมอะไรสักแห่งหนึงไอ้ที่เราพูดเนี่ย ว่าที่ขันห้ามันแสดงกิริยาการของมันเกิดขึ้นมาเองระดับตัวเองเราที่ไม่มีตัวเราเข้าไปปนเลยไม่มีตัวเราเข้าไปยึดม้านถึงบ้านอะไรเล ย, เลยแล้วเราไม่มีความคิดเดือดจะพยายามให้ไม่ยึดถึงมา้านถึงบ้นมันเป็นของมันเองเลยอัตโนมัติเป็นออโต้เกิดมาเองในขณะแว บ, บหนึ่งคือขันห้าแสดงอาการไปทุกอาการในปัจจุบันแต่ไม่มีตัวเราอยูย่ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีตัวเราปนอยู่ในขันห้านั้นเลยเราเลยรู้ว่าเอ้ตัวเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวเราเว้ย เรื่องที่ได้แวบเจนั้นเนีเราจำมันได้เรารู้ได้เราสัมผัสได้เพราะมันเป็นมันเกิดขึ้นเองที่ที่ที่เราบอกว่าเออเนี่ยใช่ไหมที่เราบอกว่าเออเออมันตอนอยู่ที่โลกุติลพูธาใช่ไหมที่ที่ที่เราบอกว่าเป็นการอยู่ในกุติลพูธาไม่เกิดขึ้นมาแวบึัวนี้ถูกไหเป็นอย่างที่เราพูด่ยใช่ไหมอันนั้นแน่แล้วจะปล่อยมันทิ้งไปนะถ้เมื่อไรที่เราไปเผอเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งเอง เราต้องรีบรู้ทัวทันกันทีแล้วก็ละทิ้งกันทีเหลือแต่เราเนี่ยไม่ปรุงแต่งแต่ขันห้าเขาปรุงแต่งไปเราก็จะไปเป็นเนก่าอีกและจะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นความเผลอหลงว่าตัวเราไปปรุงแต่งเลยเราก็เป็นจกักเอวานเดิมไปโดยอัตโนมัติตลอดเวลาโดยที่เราจะไม่ทันตา ย, เ, ยเราจะไม่รู้สึกกลัวถึงอะไรต่อไปไม่ต้องไม่ไม่ไม่กลัวถึงว่าขันห้าจะแตกนักอีกต่อไปเพราะเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวอะไรต่อไปแล้ว เราจะไปรู้สึกว่าวั่วว่าพันห้า 2005, จะแตกต่างจบเป็นอะไรใจเนอะ